คำว่าพบเนี่ยก็แบ่งออกเป็นสองคือกรรมมพบกับพบในอันมีในปฏิสนธิเนี่ยนะกรรมมพเป็นไงก็คือปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารอานินชาพิสังขารเนี่ยเป็นกรรมมพขออภัยเป็นกรรมมาพบนะก็คือสังขารสานั่นแหละเป็นกรรมมพส่วนปุภพอันมีในปฏิสนธิคือพบใหม่ที่มีในปฏิสนธิก็เป็นชื่อของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันมีในปฏิสนธิเรียกว่าพบใหม่อันมีในปฏิสนธิ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 พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สักยมุนีมีพระนามเหมือนจริงจริงๆก็มีพระนามจริงว่างั้นเถอะคำว่ามีพระนามจริงของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เหล่านั้นก็ตรัสรู้อริยสัจเนี่ยเป็นคำว่าผู้โทนั้นชื่อว่าเป็นชื่อจริงๆแท้จริงเป็นผู้ประเสริฐอันข้าพระองค์นั่งใกล้แล้วก็คือพระผู้มีรพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอันข้าพระเจ้านั่งรเข้าใกล้เข้านั่งใกล้กําหนดถามสอบถามแล้วฉะนั้นเรียกว่าพระองค์มีพระนามจริง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 เป็นบุรุษนาคเป็นบุรุษอาชาในเป็นบุรุษผู้แกล้วกลาก้าเป็นบุรุษผู้นำธุระไปมีภาระทำเป็นผู้คงที่เหมือนหงเนี่ยเพิงประสบพบซึ่งสะใหญ่ที่พวกมนุษย์ทําไว้สะอนุดาหรือมหาสมุทรที่ไม่กำเริบมีน้ํานับไม่ถ้วนฉันใดข้าพเจ้า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 ประมาณไม่ได้มีพระคุณเช่นนั้นตรัสธรรมะอันเลิศกว่าพวกที่กล่าวกันนะพระ อ, องค์เนี่ยตรัสธรรมะที่เลิศเช่นอริยสัตเนี่ยเลิศที่สุดแหละเช่นกับภูเขาสิเนรุเลิศกว่าภูเขาทั้งปวงครุดเลิศกว่านกทั้งปวงสีหมรคราชเลิศกว่ามรุกทั่วไปสมุดเลิศกว่าห้วงน้ำทั่วไปเพราะฉะนั้น พระองค์เป็นพระชินเจ้าผู้สูงสุดก็ฉะนั้นเลิศเลิศ ก, กว่าพวกพราหมณ์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นข้าพระเจ้าก็ฉะนั้นละแล้วซึ่งพวกพราหมณ์ที่มีปัญญาน้อยอาศัยแล้วซึ่งพระองค์เป็นดังว่าหงอาศัยสาใหญ่ที่มีน้ามากฉะนั้นเพราะฉะนั้นพระปิงคยะเทระจึงกล่าวอุเปรียบเทียบอุปมาให้ภาวรีฟรังว่า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 จเจริญยังไงก็คือการมวิตกจเจริญขึ้นพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกก็จเจริญเอาจเจริญเอารึกถึงญาติบ้างถึงชนบทบ้างถึงเทวดาบ้างปฏิสังยุต์บ่แหมทุกสุขก็เข้าไปหมดนะ น, นะคิดแต่เรื่องลาบสการะสรรเสริญหรือว่าปรารถนาไม่ต้องการให้ใครดูหมิน่นเพราะฉะนั้นกระวาก่อนแต่ก่อนกว่าจะไปนับถือศาสนาของพระพุทธเจ้า คำของอาจารย์ใดที่บอกสอนกันว่าเรื่องนี้เป็นอย่างนี้หนะ้าเรื่องนี้จะมีอย่างนี้นะคําที่อาจารย์ทั้งหลายพูดกันเนี่ยเป็นคํากล่าวสืบสืบกันมาคําทั้งหมดเนี่ยยังอากุศลวิตกให้เจริญทั้งนั้นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอ่ะพระองค์เดียวทรงบรรเทาความมืดเสียประดับประทับอยู่แล้วมีพระปัญญาสว่างแผ่รัศมีพระโคดมเนี่ยมีพระปัญญาปรากฏพระโคดมมีปัญญากว้างขวางดังแผ่นดิน ก็ชมพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้เดียวนะคำว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เดียวก็คือหนึ่งเดียวเป็นผู้เดียวโดยบรนประชาสองผู้เดียวโดยไม่มีเพื่อนสองสละตันหา4ปราศจากราคา่าหปราศจากโทสะ6ปราศจากโมหะ7ไม่มีกิเลสโดยส่วนเดียวแล้วก็8ก็เสด็จไปตามเอกายนามมัก9้าก็ตรัสรู้เฉพาะซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์เดียว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 ตัดความกังวลในพระประยุรญาตตัดความกังวลในมิตรอมาตปรงเกาและมัตสุแล้วครองผ้ากาสาวพัฒเสจผนวดเข้าถึงความเป็นผู้ไม่มีกังวลพระองค์เดียวเสดเที่ยวไปเนี่ยนะเที่ยวไปทั่วพลัดเปลี่ยนอิริยาบถเป็นไปรักษาบำรุงเยียวยาเพราะฉะนั้นพระองค์เดียวเราเป็นผู้เดียวโดยการบัปรปชาส่วนคำว่าพระองค์เดียวเนี่ยนะเพราะไม่มีเพื่อนสอง